ก็มีเคยมีผู้ที่ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอขันกับ อ, าาอุปาทานขันเนี่ยเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันเนี่ยนะเราต้องเข้าใจนะคําว่าอุปาทานเนี่ยองคทำได้แก่อะไรใช่ไหมอุปาทานนี้องค์ทำได้แก่ตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะอง์ทำสองเนี่ยนะ อุปาธานเนี่ยนะอาธานะนี่แปลว่าการถืออุปะก็คือเข้าไปยึดถือนั่นเองเนี่ยนะก็เลยโดนนิยมแปลว่ายึดถือเนี่ยนะยึดถืออุปาทานได้แก่มีอยู่สี่ประการนะอุปาทานหนึ่งกามุปาทานเนี่ยนะกามุปาทานนั้นมุ่งเอาโลภะที่มีการมคุณห้าเป็นอารมณ์เนี่ยนะข้อที่สอง ที่ถูกปาทานอขอขอายนิดหนึ่งนะคำว่ากามุปาทานเนี่ยหมายถึงโลภะทุกดวงไม่ไม่ไมเฉพาะแค่ในกามคุณห้าเท่านั้นเหมหมายถึงโลภะทั้งหมดเลยเพราะว่ากามุปาทานนั้นท่ารหัรจริงจะละได้โดยสมบูรณ์เนะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะเช่นกามะโอคะกามะโยคะท่านั้นหมายถึง โลภาที่ยึดติดในกามคุณเท่านั้นแต่ถ้ากามุปาทานนั้นหมายถึงแม้กระทั่งโลภ้าที่ยึดติดในชานทั้งหมดก็เรียกว่ากามุปาทานหมดเลยที่ถูปาทานนั้นก็คือทิฏฐิหกสิบสองเยนะส่วนข้อที่สนะสีละผ้ตุปาทานสีละผ้ตุปาทานนั้นหมายถึงตัวทิฏฐิ ทิเจตสิกที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยน ะ, ะเป็นทิฏฐิที่เกิดเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ตามแนวมักมีองค์8เนี่ยนะความคิดเห็นใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับมักมีองแ์ลกความคิดนั้นเป็นที่ถุปาทานเออขออภัยสีละพัตุปาทานเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่สุดท้ายนะข้อสีก็คืออัตวาทุปาทาน อตวาทูปาทานนั้นก็คือสักกายะทิฐิ20ิบเนี่ยนะ อ, อ, อุปาทานทั้งสีประการนะถ้ามองแบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อะไรนะอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งที่เป็นการมามาภพกรรมมาภบรูปภพ อรูปภพภพเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกรรมภพกับอุปาติภพเนี่ยนะภพตัวนี้แบ่งเป็นสองคือ1กรรมภพกับอุปาติภพกรรมภพที่เป็นกรรมภพนั้นได้แก่เจตนาย0สบเนี่ยนะคืออกุศลสิบสองมหากุศล8เนี่ยนะ ที่เป็นกามที่เป็นไปกับกาม้นผลที่เป็นอุปติภพก็คืออะไรก็วิบากกรรมมชรูปที่เป็นของอกรรมมาภูมิ11เนี่ยนะอ น, น, นวิบากกรรมมชรูปที่อยู่ในกรรมมภูมิ11เนี้เรียกว่าอุปติภพที่มาจากกรรมส่วนรูปภพนั้นหมายถึงกรรมะนะได้แก่เจตนาห เนี่ยนะให้ผลเป็นวิบากและกรร ม, มชรูปในรูปประพรูปประรม น, นะอ่า น, นะรูปประพรมทุกอย่างแม้กระทั่งอาสัญญาสัตว์ก็ก็เป็นผลของกรรมภพเนี่ยนะส่วนอรูปประพบนั้นได้แก่อรูปราวจรกุศลอ่า น, นะอรูปาวจรกุศลสี่ให้ผลเป็นอ่าอรูปประพบเนี่ยนะ โดยลำพังแล้วถ้าถ้าเขียนให้ตรงเนี่ยนะต้องเขียนว่ากามุปาทานเป็นปัจจัยแก่อย่างนี้ด้วยนะกามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กาโมภบรูปภะภะอรูปภะภะที่ถูกปาทานเป็นปัจจัยแก่กาโมภบรูปภะภะอรูปภะภะศีลพระตูปาทานเป็นปัจจัยแก่รูปภะภะอรูปภะภะเนี่ยนะกาโมภบรูปภะภะอรูปภะภะศอัตวาทูปาทานก็เป็นปัจจัยแก่กาโมภบรูปภะภะอรูปภะภ ทั้งที่เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลเห็นไหมก็สรุปแล้วป็นภพสามเจริทอนแต่ว่าคือถ้าหมายถ้าพูดอย่างนี้เท่ากับว่าอุปาทานหนึ่งอย่างก็เป็นปัจจัยแก่ภบพสามเพราะฉะนั้นอุปาทานสี่เป็นปัจจัยแก่ภบพสบามเนี่ยนะถ้าถ้าจะแยกไปเนี่ยนะอุปาทานสี่เป็นปัจจัยแก่ภพสามควรจะได้ภพเท่าไหร่ก็เท่ากับสิบสองเลสิบสอง สิบสองเหล่านี้ก็ไปแบ่งเป็นอย่างละสองอ่าอย่างละสิบสองคือที่เป็นกรรมมพบสิบสองอุปาติภพเอกสิบสองเนี่ยนะเจนับเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ว่าจุดจุดจบของคำว่าอุปาทานเนี่ยนะจุดจบของอุปาทานอ่ะคือการทํากรรมเหล่านี้แล้วก็ผลของกรรมอันนั้นแหละเรียกว่าอุปาติภพเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นทิฏฐิใดที่ไม่เป็นไปเพื่อตามแนวอริยมรรคมีองค์แปดนะถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาทิฏฐิบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของสีลพัตตุปาทานเช่นว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิว่ารูปฌานน่ะคือนิพพาน อันนี้เป็นที่ถูปารทานใช่ไหแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้รูปปัจจานเกิดเพราะถ้าได้รูปปัจจานก็ถือว่าเป็นเป็นนิพพานนี่ยนะไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อทําให้ได้รูปปัจจานจะเป็นศีลแลพัตตูปารทานเพราะว่าอยู่ในข้อหลักคือว่าเข้าใจผิดว่ารูปปัจจานหรืออรูปปัจจานเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นอันนั้นจะเป็นศีลแลพัตตูปารทานจะเป็นศีลกับวัดเลยไม่จําต้องกล่าวอย่างอื่นอีกก็เป็นแต่ที่ทิ ถ้าลงมือปฏิบัติกระทำได้ก็เป็นสามารถเป็นทั้งสองถ้าช่วงไหนที่ปรารบเป็นการปฏิบัติก็เป็นศีละพัตตุปาทานแต่ถ้ามีแต่ความเห็นก็เป็นที่ถูปาทานเนี่ยนะแต่ว่าทั้งศีละพัตตุปาทานที่ถูปาทานก็เกิดจากอั ต, ตาวาทุปาทานนั่นเองเีย น, นะก็ยึดถือขันห้าเนี่ยนะมันมันต้องไปน้ำพวเจนทาททนที่นีน้ <c oughs> ตัวเนี้ยถ้าจะว่าให้ตรงๆอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นอุปาทานนขันอันเนี้ยเป็นขันที่เกิดจากอุปาทานอย่างแท้จริงเนี่ยนะพ่อะพระนี้คือวิบากกรรมมชรูปใช่ไหมวิบากกรรมมาชรูปอันเนี้ยถือว่าเกิดจากอุปาทานอันนี้ รวมทั้งของพวกเราด้วยนะอย่าไปแหมไม่ใช่เราอ่ะนะไม่ใช่นะเราด้วยนะที่ที่มันนั่งกันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าก็เกิดจากอุปาทานเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ว่าจะอุปาทานไหนก็เอาก็สุดแท้ว่าอาหารกลางวันเมื่ออร่อยไหมอย่เงี้ยนะก็เน่อาจจะอยู่ในกลุ่มการมุปาทานไปหรือแวบเป็นอัตวาทุปาทานบ้างอะไรบ้างกขว่าไปก็ไม่ได้พ้นอุปาทานเป็นปัจจัยอะไรเนี่ยนะเพราะเวลาที่ขันเกิดขึ้นเนี่ยนะคำว่าอุปาทานนะขัน แปลว่าขันที่เกิดจากอุปาทานนี้ความหมายหนึ่งนะคือขันที่เกิดจากอุปาทานความหมายแรกนะถ้าไม่มีอุปาทานขันเหล่านี้จะเกิด ไ, ไหมไม่เกิดเนี่ยนะแลวแลวไอ้อุปาทาน น, นี่มันเกิดจากไหนโลกุตระน่าจะทำให้เกิดอุปาทานไหมไม่เกิดใช่ไหม เพราะฉะนั้นอุปาทา น, นขันารแปลว่าขันที่มันทําให้เกิดอุปาทานเนอย่างหนึ่งอย่างตรงๆงเลยนะพวกอุตุชรูปทั้งหลายรูปที่เกิดจากอุตุรูปที่เกิดจากอาหารนะกลุ่มรูปเหล่านั้ น, น, นไม่ได้เกิดจากอุปาทานแต่ก็เรียกว่าอุปาทา น, นขันารเพราะรูปเหล่านั้นมันทําให้เกิดอุปาทานได้เช่นต้นกล้วยกําแพงพัดลมอะไรทั้งหลายแหละมันไม่ได้เกิดจากอุปาทานนะ คือมันไม่ได้เกิดโดยอุปาทานโดยโดยปัจจัยตรงๆอ่ะนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอยู่ดีมันอุปาทานขันนี่หมายถึงขันที่ที่ทำให้เกิดอุปาทานเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือขันที่เกิดจากอุปาทานเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเห็นมมันก็พันกันอยู่นั่นแหละทีนี้ถามว่าอุปาทานกับอุปาทานขันต่างกันไหม คือคือคืออย่างนี้ว่าอุปาทานนักขันเนี่ยกว้างแต่ถ้าอุปาทานเนี่ยแคบอุปาทานเนี่ยองคธรรมมีอยู่สองเหน็นไะกามุปาทานเนี่ยอันนี้เป็นองค์ธรรมคือโลภะที่ถูปาทานศีลพระตูปาทานอัตวาทุปาทานนะองคธรรมคือทิฏฐิเห็นไหมเพราะนั้นะนคําว่าอุปาทานอะโลภะกับทิฏฐิ โลภะทิฏฐิก็นับในอุปาทานขันคือสังขารเนี่ยนะก็เป็นสังขารขันไปเพราะฉะนั้นขันกับอุปาทานขันนั้นอ่อก็คือเจะว่าอันนั้นก็ไม่ใช่จะว่าอันอื่นก็ไม่ใช่เนี่ยนะก็มั น, มนอุปาทานนี่แคบอุปาทานขันกว้างเนี่นยนะพูดถึงว่ากว้างขันก็คือขันห้า ขันเนี่ยขันห้าแต่อุปทานนั้นาหาวาสุปลงมาแล้วก็จะาแค่อยู่แค่สังขารขันเจนริญพร่อยู่นะแค่สองค์ธรรมคือโกับทิิเจนา่ น, นทีนี้กิจก็ต่างกันอุปทานกับอุปทานนักัว่าโดยกิจก็ต่างกันอุปทานนักขันนี้กิจคือปหานะนีนะโดยกิจนี้เป็นปหาณกิจส่วน อุปาทานขันเนี่ยนะอุปาทานขันเนี่ยกิจปริญญากิจกิจก็ต่างกันเนี่ยนะแต่การทําปริญญากิจนั่นแหละเป็นการละอุปาทานเพราะอะไรเพราะว่าอุปาทานเนี่ยมันเกิดจากขันใช่ไหมถ้าบุคคลที่วิปลาสในขันนั่นแหละอุปาทานมันจะเกิดถ้าไม่วิปลาสในขันนะอุปาทานก็ไม่เกิด นะเพราะฉะนั้นถ้ารอบรู้อุปาทานนักขันก็เท่ากับละอุปาทานถ้าละอุปาทานจริงก็แสดงว่ากําหนดรู้ขันเป็นอย่างดีเนี่ยนะกำหนดรู้ขันถ้าจะว่าไปนะท่านท่านอธิบายว่าผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาก็เท่ากับล ะ, ก, ะกามุปาทานนักขันเนี่ยนะละกามุปาทานถ้าเจริญอะไร อตวะทปาทานนี่อยู่ไหนก què, ็จะอยู่เนี่ยคือสติปทานสี่นั่นแหละแก่อุปาทานสี่เห็ขาก็มีแสดงสองในนะในเนติปรกรณ์เนี่ยในเนติปรกรณ์กับในขันขันทวิพังเนี่ยนะ ก, ก็จะแยกต่วในสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ากําหนดรู้ขันห้าก็เท่ากับละอุปาทานสี่ถ้าละอุปาทานสี่ก็แสดงว่า รอบรู้ในขันห้าเนี่ยนะมันก็ทำยังไงที่จะละอุปาทานขันห้าได้ครั้งก่อนโน้นเนี่ยนะได้พูดถึงโซดาปฏิมักเนี่ยนะหรือโสดาปฏิผลโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี้กำจัดกิเลสอะไรก็สังโยชน์สามใช่ไหมสังโยชน์สามคือส ก, กายะทิธฐิ วิจิกิจชาศีลปะต่ปรามาตเนี่ยนะกลุ่มอัตวาโทุปาทานนั่นแหละคือสกายาทิฐิใช่ไหมศีลพะตาปรามาศก็อยู่ในศีลพะตุปาทานเนี่ยนะสกายาทิฐิวิจิกิจชาวิจิกิจช า, เ, า, จจชาเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ มันเป็นผลของทิ่ทีหกสิบสองหรือว่าวิจิกิจฉามันจะเกิดก่อนที่ทีหกสิบสองมันจะสงสัยก่อนแล้วที่ทีหกสิบสองมันจึงจะเกิดหรือเกิดที่ทหกสิบสองแล้วจะสงสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเนี่ยก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันกับที่ถูกปาทานหรือที่ทหกสิบสองเนี่ยนะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเช่นสงสัยว่าในอดีตเรามีไหมมีหรือไม่มี อดีตเนี่ยคุณลาวันเราในอดีตมีหรือไม่มีถ้ามีสัสตะถ้าไม่มีอุเฉตสรุปแล้วมีหรือไม่มีขันนะมีแต่เราไม่มีมม <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทิฐิมันจะเกิดนะสมมติถ้าบอกว่ามันไม่มีก็เป็นที่ถู ป, ปารทานไปถ้าบอกว่ามันมี ก็ที่ถูปาทานอีกทีหงนะสงสัยเนี่ยจะเป็นอาหารอย่างดีของอุปาทานแล้วอุปาทานก็เป็นอาหารอย่างดีของสงสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉามันยังนําเกิดได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากลุ่มนี้นะนี้คือกลุ่มสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรา ม, มากพระโสดาบันเนี่ยนะ ท่านเห็นอริยสัจใช่ไหมโสดาบันเป็นมรรคที่เห็นอริยสัจอริยสัจเนี่ยประกอบไปด้วย4ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคถามว่าเห็นอะไรจึงละสกายะทิฏฐิเห็นสัจจะอะไรละสกายะทิฐิเห็นไหมเห็นทุกขสัจละสกายะทิฏฐิเห็นสมุทัยสัจ ละวิจิกิจชาเห็นมกขสัตว์ละศีลพัตปรามาตเหนะเพราะฉะนั้นการเห็นอริยาาสัจสี่นะก็จะละระดับโสดาปติมัคต์นะก็จะละพวกสังโยชนด้วยประการอย่างนี้หรือละอุปาทานด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นโสดาปติมัคต์เนี่ยนะละอุปาทาน3ามทันทีเลย คือที่ถูปาทานศิลพัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานเนี่ยนะคือเห็นทุก ข, ขาริยสัตว์ละส ก, กายะทิฐิหเห็นทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะวิธิสัตว์ทั้งหลายเวลาจะเกิดสกายะทิฏฐิหรืออัตวาทุปาทานเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันห้าถ้าเห็นขันห้าตามเป็นจริงก็จะละความสําคัญว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอัตตาได้ นนะทีนี้ถ้าจะยึดถือในเกี่ยวกับข้อปฏิบัติก็แสดงว่าเราไม่เห็นมัชใช่ไหมไม่รู้จักอริยมัช น, นะจึงไปเข้าใจผิดข้อปฏิบัติต่างๆอื่นจากมัชแล้วก็เพราะไม่รู้สมุทัยศัตร์นั่นแหละจึงทิฏฐิต่างๆจึงเกิดขึ้นเนี่ย น, นะเนื่องจากไม่เห็นสมุทัยนั่นเอง น, น, นะส่วนผู้ที่แทงตลอดทุกละสมุทัยเจริญมัชขณะนั้นต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ย น, นะ นั่นถ้ารอบรู้อุปาทานขักขันกำหนดรู้อุปาทานนักขันเป็นอย่างดีก็เท่ากับเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าสติปัฏฐานสี่นี่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีอุปาทานขันท่านั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่กําหนดรู้อุปาทานขันท่าเป็นยังไงปองก็บอกว่าไม่ควรสิ้นทุกข ไม่ควรสิ้นทุกข์ก็ทุกข์คืออะไรก็ทุกข์ก็อยู่ขนันห้า<ๆ>ก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็เฝ้าก็เฝ้าส ก, กายะไปก็เฝ้าส ก, กายะนะอีกชื่อหนึ่งของอุปาทานขันห้าคือส ก, กายะก็บอกว่าเดรธีรังเกียร์ส ก, กายะแต่ก็พันอยู่ในสักกายะว่างั้นเถอะคือคือส ก, กายะเนี่ยเป็นชื่อของขันห้า เดรัทธีเขารังเกียจแต่เขารังเกียจด้วยอนุภาพของทิฐินนะพอพอเขาบอกเขาเบื่อเบื่อเลอกเกินไอ้ทิฏฐิเนี่ยนะเบื่อเลอกเกินขันห่าเสร็จแล้วเขาก็เอ๊มันต้องมีณที่ใดที่หนึ่งนะที่มันพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเวลาเขาคิดถึงเขาคิดหาอะไรใช่ไหมมันต้องมีละณนะที่แห่งหนึ่งนะที่มันมันสงบระงับจากสิ่งเหล่านี้ได้ ไอสิ่งที่ปุถุชนคิดพ้นขันห้ามีไหมโดยมากนะมีใครคิดพ้นขันห้าไหมไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นบอกแม่ฉันเบื่อเหลือเกินไอขันห้าอันนี้แต่มันมีอยู่ณที่หนึ่งนะเช่นรูปประพบรูปประพบเนี่ยมันดีจริงๆรนะมันสงบระงับจากทุกได้ก็รังเกียจขันอันนี้ก็พันขันอันใหม่เอาไว้เห็นไหมพอ บางก็บอกไม่ใช่มันต้องอรูปสินั่นนะก็อรูปสิบางคนมันบอกมันสูนเลยนะก็พันอยู่กับทิฐิของตัวเองอีกนั่นแหละก็ติดอยู่ข้องกับทิฐิเพราะฉะนั้นก็บอกว่าปุตุชนทั่วๆไปเนี่ยเหมือนกับกระต่ายบยางนั้นเถอะกระต่ายรังเกียจแผ่นดินรังกายนี่เกลียดแผ่นดินมากมีอยู่วันหนึ่งก็กระต่ายเกลียดแผ่นดินก็คือวันกระต่ายมั น, ม, นมันอุจระลงแผ่นดินปับ๊บแผ่นดินก็ทักแอ้วก็ตายกระตา่ะตายกระถามว่าใคร บอกชั้นแผ่นดินน่ะแกเยี่ยวใส่ทุกวันอุจจระรถทุกวันนอนทับอยู่ทุกวันกันไม่รู้อีกเหรอก็บอกเออแม่แม้ชั้นหน่อยเดียวเองอ่ะนะครั้นี้ก็ทําเป็นมามาโวยวายแบงนั้นแต่ทีช้างมาันใหญ่โตก็ไม่เห็นว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นเบื่อเต็มทีแล้วจะไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะจะไปให้พ้นสักทีหนึ่งห น, น, นีแผ่นดินอะไรกันแต่ก็กระโดดเย้งเย้งยงเยงไปเรื่อยก็ไปถึงสักไกลเลยนะก็หยุดหอบสักไหน แผ่นดินเอาไหนแล้วไปถึงไหนแล้วกระตายอย่างนั้นแต่ก็ยังอยู่บนชั้นอยู่ดีนั่นแหละไปยังไงก็ไม่พน้นเดรัจฉีทั้งหลายแบบกระตายไปที่ไหนก็ไม่พ้นขันเวลาคิดก็คิดไม่พ้นขันเกลียดขันอันหนึ่งก็หาขันอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเราก็สังเกตดูในะชีวิตของเรานะบอกแม่เบื่อแล้วเกินขันอันนี้ก็คิดเอาขันอันใหม่ไปนะสมมติสตรงนี้มันไม่ค่อยดีอะ่ะแสดงว่าเราคิดที่มันดีกว่านี้อีกแล้ว ก็ขันตรงนั้นมันดีกว่าเนี่ยนะอาหารตำว่าอาหารอันนี้ไม่อร่อยก็แสดงว่าคิดอาหารถึงอันอื่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเวลาคิดนะก็กระโดดเกลียดอันหนึ่งไปหายอีกอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปหายอีกอันหนึ่งตลอดแต่ว่าพอพอคิดแบบนี้นะถ้าเราถ้าเรามาเดินตามแนวความคิดของเดลาร์ธีทั่วไปนะเราก็นึกไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงเหมือนกันถ้าถ้าเราลืมอริยสัจนะแล้วมาแก้แบบเดลาร์ธีนะเราจะไปเดินตามเข้าทันทีเลยเพราะเออมันฟังดูมันก็สมเหตุสมผลดี หมายถึงว่าเกลียดอันนี้ที่อื่นดีกว่านะคุณไม่ชอบตรงนี้คุณก็ไปอยู่ตรงนั้นสะมันก็จบกันใช่ไหมอันนี้คือคิดแบบเดถถียร์ถีแต่มันไม่จบพอไปถึงตรงนั้นอีกมันก็ไปต่ออีกทีนี้อ้าทําไงล่ะกันนี้แต่ของของพระพุทธเจ้าจะมองว่าทั้งหมดนี้คือทุกใช่ไหมทุกเหล่านี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคือสมุทยัยเนี่ยนะ ถ้าดับทุกอันเนี้ยคือสํำรอกอันนี้ซะแล้วทุกอันนี้มันดับถามว่าพันอยู่ในอะไรไหมของของพุทธศาสนานะีติดข้องในในส ก, กายะอันใดอันหนึ่งไหมจะไม่มีติดข้องในส ก, กายะอันหนึ่งเลยแต่ของเดร์ฤทีจะแก้ว่ามันอยู่ณนะจุดนั้นอยู่ณนะตําแหน่งนั้นนะพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะจะได้ดีเองนะเดี๋ยวคุณสงบไปแล้วมันดีเองนะข้อปฏิบัติสมัยใหม่ที่จเจริญรอยเดยร์ฤทีก็คือถ้าสงบมากๆเข้าแล้วจะได้ดีเองเนี่ยนะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยนะถ้ า, ถาดับเหตุทุกก็ก็ดับอันนี้คือลักษณะของของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าปุถุชนก็ส่วนใหญ่ก็เจริญรอยตามเดียรัตถีก็คือคิดหวังไปด้วยตรงนั้นบ้างตรงนั้นบ้างตรงนั้นบ้างเนี่ยนะการคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดหรือคิดแบบเดียรัตถีคิดมากกว่ากัน หมายถึงว่าเออทุกนี่มันมีเหตุเป็นเดนเกิดนะถ้าจะดับทุกอันนี้ดับที่เหตุนะหรือว่าคิดแบบว่าไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะดับมันเองไปตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเนี่นะแล้วก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแก้แบบกินข ร, ราวนะอ้ามันก็หายปวดนี่ เอาใหม่แล้วนะก็ก็อย่างอย่างสมมติถ้ามองปัญหาแบบแบบทั่วๆไปนะว่าทุกที่เรามีอยู่ทั้งหมดอย่างตอนนี้นะสมมตินะใครจะคิดไปหาว่านี่เพราะชาติอย่างเดียวนะถ้าไม่ปฏิสนธิวันนั้นนะทุกอันนี้ไม่มีเนี่ยนะคุณนภาคิดแบบนี้สักทีไหมคิดลอยหลายเตื้อไหมไม่จะสอบสอบดูดิว่าไปถึงไหนนะ เออนี่ที่มีอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่นี้เนะมันปฏิสนที่อันนั้นแท้ๆเลยเนีย่ยนะหรืออาจจะลืมเรื่องนี้เลยเนะี่ยไปคิดถึงพระคุณของแม่เลิดฟ้ามหาสมุทรก็ไปอีกนะมันก็ก็ผิดประเด็นไปอีกแล้วแต่บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิสนที่ณนะตรงนั้นทุกอันนี้ก็ไม่มีแล้วปฏิสนที่อันนั้นเนี่ยมาจากไหนเนะี่ยนะก็ไล่อ๋อมาจากกรรมใช่ไหมกรรมมาจากอะไรกรรมก็มาจาก อวิชชาหรือมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมาจากตันหาตันหามาจากเวทนานเนี่ยแล้วก็สาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยเป็นทํากรรมใหม่ไหมกรรมนี้เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิไหมปฏิสนธิเป็นเหตุแห่งชาราและมรณะเป็นต้นต่อไปไหมเ ข, เขาจะคิดแบบนี้จริงๆแม้กระทั่งพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพระค์จะคิดอย่างนี้ว่าเอ๊ชารามรณะทั้งหมดเหล่านี่ยมันเกิดจากอะไรจะคิดสาวไปหาเหตุก่อนอ๋อมาจากชาตินะมาจากเกิดแท้ๆเลย อแล้วเกิดมาจากไหนละ่ะแล้วก็คิดอ๋อเกิดมาจากกรรมก็มามองว่าปฏิสนธิปฏิสนธิมีเท่าไหร่เรียกว่าชาตินะเกิดในครันเกิดในไข่แล้วพวกไหนที่กรรมอะไรมันทําให้เกิดในไข่กรรมอะไรทําให้เกิดใน ان, ع, ครันกรรมอะไรที่ทําให้เกิดในเท่ า, าคลกรรมอะไรที่ทําให้เกิดเป็นโอปาติกะเนี่ยนะก็ ops, มาไล่ oh, อ๋อปฏิสนธิทั้งหมดเกิดจากกรรมกรรมล่ะอุปาทานเขายึดอะไรเขาจึงทํากรรมอันนั้นเนี่ยนะเขามีทิฏฐิอะไรเขาจึงทำกรรมอันนั้นเขาจะค่อยๆคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ นะแล้วอย่างถ้าถ้าเป็นอยู่นะถ้าศาัตว์เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ทำกรรมอะไรกรรมั น, นั้นแล้วให้ผลเป็นยังไงแล้วจะดับมันได้ยังไงนะพระองค์ก็จะคิดในลักษณะนั้นเป็นการาคิดแบบมีโยนิโสโมมนสิการเห็นนะก็จะมองเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็จะได้ดับเหตุซะเห็นไแม่นแม่นยสองนะทั้งจุตูกับ ปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะยานสองนี้เกื้อกูลต่ออาสวัคคายานเป็นอย่างมากเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มีสองประการเนี่ยแทบแทบจะหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะไม่มีทางเป็นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะั้นสาวกขนาดฟังตามเราก็ยังไม่ค่อยได้จะคิดตามนะที่จริงแล้วอยังยังสมมาครองนั้นมากันแล้วกันศึกษาธรรมะมาเยอะนะเราไม่ค่อยคิดว่าปัญหานั้มาจากปฏิสนธิอันนั้นนะ นี่ถ้าไม่ปฏิสนธินะทุกอันนี้ไม่มีแน่นอนเรอาจจะไปคิดแต่ที่อื่นทั่วไปนะจะคิดไปเรื่อยนะก็มาจากเกิดแหะก็แต่ใช้คําว่าเกิดอะแต่ว่าเกิดที่ไหนไม่รู้นะแต่ก็มาจากเกิดอ่ะเพราะจําสูตรได้แต่บอกโอ้เนี่ยนะที่ทุกอันนี้เกิดขึ้นนะชรามรณะอันเนี้ยเกิดจากการยังลงสู่คานแห่งมารดานะแล้วอะไรมันนําเกิดล่ะเนี่ยนะแล้วก็ค่อยสาวไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วไอการเกิดเนี่ยแล้วชีวิตประจําวันทุกวันที่ทําอยู่นะ มันนำเกิดที่ไหนได้บ้างลนะ่ะก็มาสอบสวนแล้วถ้าเกิดที่ไหนก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ต่อไปอีกใช่ไหมไงนะมาคิดลักษณะนี้ไม่ค่อยมากถ้าคิดไม่มากการที่จะหาหาทางเพื่อออกจากทุกข์เหล่านี้ก็น้อยลงไปเนี่ยนะก็ก็น้อยลงไปเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เพลินไงถ้ <laughs> าไม่คิดอย่างนี้ก็มีอีกอย่างนึงก็คือเพลินกับสิ่งนี้นะนี่ถ้าไม่เห็นโทษก็เพลินก็มีอยู่สองอย่าง ผู้ที่เป็นปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะตามส่งเสริมวัตตะตามปลูกวัตตะถ้าถ้าอุปมาวัตตะเหมือนต้นไม้นะปุถุชนทั่วๆไปก็จะเหมือนกับรดน้ําท่วนดินทุกวันดูแลยอย่างดีทุกวันเนี่ยนะอันนั้นคือลักษณะของปุถุชนทั่วๆไปแต่อริยะพระอริยะสาวกผู้ได้สดับก็จะวันๆนหนึ่งก็จะตัดแต่ต้นไม้นะตัดเสร็จก็เอามาคั่วคั่วเสร็จก็เอามา อะไะขยี้มาตากคั่วขยี้ตากเผาขยี้ตากเผ า, ย า, าอยู่นั่นแหละจะได้เอาไปโรยน้ําให้มันหมดเชื่อหมดผุ๋ยหมดผงใบ ห, หมดเลยเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นของพระรญาสาวกท่านเนี่ยนะของเราก็อยู่เนะี้ยเก่งๆเนะี่ยระหว่างเนี้ยรถน้ําบั่งเผาบ้างอ่ะนะรถน้ำพรว น, นดินอีกพักหนึ่งแล้เด็ดยอดอีกหน่อยหนึ่งอ่ะนะรถน้ำพรวนดินต่อแล้วก็เด็ดยอดอีกสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> งามกว่าเก่านะเอาก็อย่างนี้นะสมมติเราทุกเกิดขึ้นนะอย่างยุคคนยุคนี้พอทุกเกิดขึ้นเขาแก้ไงรู้ไหมทําบุญสิคุณต้องไปทําบุญนะพอทําบุญเสร็จตั้งความปาถนาใหม่หาใหม่ลนะสมมตินะโอ้โหนี่คุณเสียหายเรื่องทรัพย์สินนะนี่เพราะผลของกรรมเก่านะคุณทํามาคุณไปทําบุญนะอก็อไปทําบุญพอทําบุญสาทุ่ขอให้มั่งให้มีสีสุขนี่นะก็ตั้งความบาตรนะอีกหลายกิ่งเลยกันนี่ก็ก็อยู่อย่างนี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยนะ ลบสิาภายใ น, ใ, น ใ, นในวันนี้ตนวน้อ้ยตึงต น, นแค่น่ไหน้นวิยินสี